เชื่อคนอื่นการสุ่มเดาการคาเเสนอนั้ น, นมันผิดได้บางรายบางอย่างสิ่งที่ไม่ดีเขาก็สารเสพบางสิ่งบางอย่างที่ดีเขาก็มินคาคนที่ดีที่ชั่วเรื่องของโลกไม่แน่นอนแต่เรื่องเขาทำเป็นของแน่นอนต้นอย่างไรถึงที่สุดอย่างไรจิตใจในเกี่ยวข้องกับโลกเป็นอย่างไร ประทับใจเหตุนั้นพวกเราที่รูน้นาตามือจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นฟังหน้าจากคำพูดของท่านผู้ี่ถึงดีหมดเพราะคาดไม่ถึงเดาไม่ถูกมันเป็นอย่างไรจะรู้เฉพาะบุคคลผู้สี่เห็นที่เป็นเท่านั้นถ้านั้นจะมีหรือไม่มีนั้น สำหรับตาเนื้อไม่สามารถที่จะมองเห็นเพาพระอรหันก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันกระบวกชาวเราไม่ใช่ว่าท่านเป็นพาาระอรหันแล้วจะมีของแปลกของประหลาดอะไรเกิดขึ้นในกายของท่านพอาตาเนื้อจะมองเห็นกันเหยุ น, นั้นคนทานหรือผุุ้ชนเขาจึงกล่าวตูดูเมนว่าเรื่องศาสนาะ มันมีพระองค์ใดจะวิเศษไปเสริฐประพฤติปฏิบัติได้กับข้อตาข้อบอดจะเอาอะไรมาให้มันดูมันก็ไม่เห็นผู้เขาทั้งรูปมันก็ยังไม่มองเห็นจะไปเห็นอะไรอัดคาที่ละเอียดเลยมีพวกเราก็เหมือนกันอยากเห็นความดีเด่นทางศาสนาขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าไปสนใจเรื่องอืน่นยิ่งกว่าสนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติกำจัดชั่วบําเพ็ญดีในตัวของตัว ถาหาทุกคนหมั่นพิจาณาตั้งสติเอาไว้ตั้งสัญญาพิจารณาเรื่องจิตใจคิดถูกอย่างไรควรละควรบำเพ็ญใหละให้บำเพ็ญเมื่อทุกคนตั้งหน้าจะทำอย่างนั้นความอศัศจรรย์ที่ยังไม่มีจึงว่าเรียกว่าศีก็จะเกิดขึ้นสมาธิ ก็จะมีประทับในจิตในใจปัญญาก็จะมีเป็นเรื่องแก้ไข ท, ที่เี็ดปัญหาภายในตัววิชาวิมุตความหลุดลอยสองใจออกไปจากความผิดข้องเป็นอย่างไรจะไม่มีวันมีเวลาสงสัยเพราะเหตุนั้นขอทุกท่านจงตั้งหน้าต่างตางอุตสาห์พยายามจะทำบำเพ็ญตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามันแนะน ตอนขอตนอยู่ส ม, ม่ำเสมอใช้มีสมณสัญญาว่าเราเป็นสมณะคือผู้ต้องการความสงบเราเป็นพระคือผู้ประเสรเรามาบวชเพื่อแก้ไขปิเลตปัญหาสอนตนอยู่ส ม, ม่ำเสมอและทําตามหน้าที่ของตนจึงเรียกว่าสมณะหรือพระหรือนักบวชแล้ว ตางทั้นต่างคนก็จะเข้าถึงซึ่งที่สุดคือรีมทเนิตพานตามการตามเวลาตามวาสนาของตนได้โดยใน่องต้องใสง่การอธิบายธรรมะวันนี้จะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเอางเง่นมาหลวงพ่อเข้ า, า, หาไหมหอวงพ่อนม่เยอะวะ นเดียร์านเดนเยร์เดีร์บ้าร่น่เียรบ้าน่จดราไปสถาบันมงกันทั้งง จะด่าถึงเนี่ยขางมาชาวนบชาวนาโนเนูต่นาาจ่าทำบุญทุกท่านบอว่าทำอะไรจะโน้นทุกทานก็สั่งบ่อน้ำชาลาเหยดไปทุกอย่างเลยแล้วได้มาชีิเป็นบุญเป็นกุลบงนคนล่คนด้วยเหยียบนกแต่ละคคนออยใจใสในการบุญหาหินมาให้คนงา่างไร บันลังที่ราอาดมันทูกกําพล้ลาาิที่ราหัดหินใหม่ค้อนนั้งที่ตัวไดงเป็นหินอ่อนก้อนแดงงามนั้งหนุ่มนวลเป็นที่ประทับของพระอินทร์เอาหินใคนค้อนนั้งปีูกส ล, ล้องสลากเกิดเช่นสลากธรรมมาสัพพะในดาวดึงส์เคล็ดอียั้นจะได้อันนั้น นั่งคิจัดานแล้วก็ไปเนี่ยต้นเนี่ยเหงาของนั่นธรรมนกเรามีเนี่ยซี้นอกตาหนิได้เลยทกมัดอยิงหลายอยู่ที่พวกเขามีเอี่ยใ่เนี่ยงั้นเลยเพราะีบอม่อไหร่พวกซีซะนั่งคิจัดานนั่คิจันชานั่คิธรรมา์คิจิตาเป็นอรรมาธรนกมีเนี่ยยุี้น เนี่ยูอหนึ่งนางืูนันท่าแล้วก็เห็นผัวไปเห็ดสลอมสล่านคนทัพคนอาศัยแล้วก็บ้านคนมาสักางสล่านหาดอกไม้มาปลูกเลยเดินมองใหม่มาเหนือยๆช่วยกินแห้งแล้ก็เอาหาดอกไม้มาปลูกน้ำเอ๊ะชีตาเลยช้าน้ำชุดบ่อหนามไก็งายๆแค่านเส้ามอเหนื่อยเลยอาบน้ำ กินน้าอยชีนี้แห้งเลยบริเวาน้ำมู่างะเจ็ดแมวแม่กีเป็นประโยชน์นั่ามาต่างซอส่าใส่ล่านั่่ด้านีินี่งาโยัไปเ็ดอียางหนงเยโขลกเห็ดไปเงกุเย้ิดันหไปเ็ดอียงนึ่หมู่อมืออียนคู่อนไปเ็ด เคา็ดเฮ็ดอันนัที่มีเฮ็ดอันนี้เพื่อจะได้นี่สวนไปเกิดในสถานที่ใดกี่นี้นพบกันเห็นกันนะฮะไปเกิดสวรคมันไปเกิดอีลิฟต์ด้วยนั่นท่ากัมีสวนอาจพกชย่านทุนนั่นท่าสวนบนสวรรค์สวยงามจนดอกไม้กับแตนคุณได้ไปเห็นกัน ยังพอสมัยไปกันรึมา้บ้านเล้อนั่งิจิตตากะบกเทลนีงามปานยังเป็นสตรงสนานของเทวดาเทวูจิตกัณฑ์สานั่งพุทธามาใต่ารย์ใหญ่ก็พยินแล้วพินไปเกิดขึ้นพวกคือไปสั่งนักันเช่นหน้าทูปูทุกคน ชวนนั่งชุขดาหาบริษณ์หัวหาชู้เจ้าหาหัวหาเนี่ยออกเลยวัวบริษน่าขำองกันเนี่ยจะเกิดฉวนอยใส่เนาะตอนั้นนั่งชุข้ดางกนแฉแดงหัวแดงสัวกับเที่ยงคิวข้าแฉงข้าพอมินแล้วใสใสแลววัวมีอนนี้สู แต่งคนงอข้อมือเด็กก็เสร็จก็นั่งงอข่ายสายยังอ่อยๆเขาออกหกอดอยู่ผงออมือผมเนี่ยันเดียวเท่าข้อมือยื้กันกูวันดีไปนกันเด็กวันดีท่ามีอต้อกันเดกันยูอุ้ยที่ถ่ายเเด้ยยันวัดีไปนกันยี เหใต้เหรอถขานึ่คืถอถขานิ่ <c oughs> เป็นการจัดอย่างยุ่ยากต้องทำเนท่านนัน มีอย่างนั้นหรือเปล่าม่่จตอนนี้ต้องเสียงย อนต้งถีออยู่เป็นปกขั้วหัวมีแตนถงนไดีทาความดีให้ตัวนะเขาตัวเขาเสียเป็นอย่างของเขาวัตถุเขาหยาเป็นอยของเขาเขาวัตถุวัตถุหาเขาตัวว่าเสียเข้าดีพาะะโลกันจปคิดแล้วเขวบเหตุเ้าสิบวเห็เขวบไปเข้าสิบวไป เข้าว Home. Home. Home. ่าิากนม่าิ้แม่บแม่เข้าว่าิ้เขาจิ้มอิ่มสองเข้าเขาบ่ได้เขาได้เากัีความุความสบายทนอนกพยายามททีมันดีสิ่งีระโน์อยทำหไม่บ่ได้เงนบะแม่เหมือนมันต้องได้ทำมันได้ได้อันนั้นน่ มรรมะจะได้ปูกถือนได้ไวได้อันนั้นปูกทั่ทั่วปูง่ายแตงายข้ามขาบุญแต่ยุ่นขาบาปแต่บาปเหมือนเห็นข้ามชิงโอ้ที่ใจหน้าเน่ยถืเห็นข้ามชินท่าดีแต่ดีนี่ไหนทํานส่วนแตดีนี่สมไปกัอสว่าง มันท้าบาเลยทำตัยโดยดีไมชงไปงั้นเลเบาบ้าทำตัวไปกล น, นไปจีไปขาไปไ จ, จีบได้แล้วชัวข้าเหรอแนะนำให้จบได้มันจะนอนในทุกในกระล่างเหมือนสันโทษชา ย่อมขาดใจย่อมเปลืองลูกย่อมดีมันให้ผลไปตีหัวเขาไปดาเขาข้นสิไปเหยื่อใสรัดท่ามัน่ีดอก่ีดสิัดีไปบไปหวาไปงอหาไปู้าทคดีได้คนอื่นจะเมตางา ขันควงดียกไมไหวเขาเขาก่า้าตอดีก็ตีห้ตอนดีขันชัง้งองสุดช่องว่ามองเป็นไปตามร่ปากของผีบาวว่าดีดีนี่่ไหนดดีมีคมใบนน้นางนันอย่าไปเชื่อเือว่าขะเชื่อว่าเจาของคนทานใจของเาสิเือเไปตามเรื่องของเขา เขาบอกพี่แจน่าคุณนายก็บ่นไปจับให้ตากน้ำฝนจะดีหรอบอเห็นร้ายจีเหรอ่แเห็นไปจีหรอร้ายจังบอกว่าฟทาีแม่บนไหนไหนบนไหนบบิดอกไปสั่งดี มีหัวมีใจมีคิดเอาดมได้ดมคิดดมดอกดมฝนเราไปหาฝนห้ามมันหมดเรายายาใส่แก่อบ่มากขกันมันมากขึ้นกันจะมันบ่มกขึ้นกันมีที่ึ้นกันจบ่แหวงหาขึ้กัน ก็จะดีจะหาทางนึงเพ่นด้าจหาทางนึงเจอ่ได้มีโคลาบเหมาะสมดีตใบจะเชี่ยนมีนอหนคัเนอคัยใเียใจท้าหลังบมาจะเลี่ยจวิญญเชน แต่ไหนจะน่าขี้เฮ้ยยังนนะพี่ นาย ยามันจีบว่ามีคุณได้ขอมาได้แลวดีหรือว่าใไม่นี่ยจะเก่าับลสมดียม่บุเอากราม่กระาย่งคมาได้้เยนแล้วได้ แรงไดนี่งเหตุมเรืออิ่มับกินกัอเขาอยได้บื้อเหตุคือยู่บาน่มียกกินจิกคือบาเมื่อไหร่ที่ตายมีพนนนอีายแลกู่บา่ดู แล้วก th ็บกไปได้มากแล้วงั a นถืาให้นึงที่เียหแล้วมาไปเถียง่ี่นัฮะงเกอคุณนิดาเขาม่บอกมันเลี้ยงจนลูกน้องเขาเอ๊ะหัคุณนิดานิดาเป็น ขัวเราเป็นัวนารบลเชนเดโมเดยมทั้งน่านีึงจะน่านเป็นแฉะอูโศขัวรัฐบาลจะเป็นแฉะผู้ใหญ่ผู้มีอานาผูนยิ้มทั้งหมดแต่เราเป็นผู้ยิเรา่เป็นัว่งาีัวนุ่งสานรับาลคยาที่น จุดเป็นห่วงดีกันว่าอย่าเยาะเ้ยจัสงสารทางการเงินไหมนี่ช่วงสันงานเขาจะช่วงสันทาไหร่ตัว่งสานแ่พระสงฆ์ตัดี เสนุนดีกตนี้ิไม่ใจอยากปฏิบัติันเเป็นตที่แกตายมันหัวใจเขคนท่านรักษาผู้ระพฤท่านประพฤติปฏิบัติชอบทํารักษาอยู่โลกันพฤติัวปฏิบัติเสีย ยังไงต่างคน a อใจเขาคนดูคนไอ้ควรติดเช่ออยู่หมดำที่คนตงใบัตไว้นจิตใจของคนนนีได้เหตุด คอนดีมันเห็กิเลสเห็นท่านเห็นคน้อนตัวมีรดวานอ่าหนก็ขสข้นตัวย่างมาท่านหายขนส่วนข้อนดีตรงกันข่ามเห็นค้อนสัวเป็นสัวเห็นข้นดีเป็นดีเต็มใจสิสปะเภทปฏิบัติในข้างดีเส ม, มอไป เนโกสวนเป็นผิดเป็นไิดเห็นโเนส่วนเป็นของเงาของเหน็บบ่อยากแกะอยากซองอยากย่อยากข่องที่ตนที่อาบน้ำชำระกายสะอาดแล้วบ่อยากล่งไปล่นี้เดือเนี้ยวมันเงามันเหม็บบ่อยากล่างจีนยังล่างมือเห็นมันน แต่คนตนี่แล้วเนาทำละช้าแสกินมอหตวั่นมีเบื่อ้าละช้าแสงกันกันก็ไม่วัานก็หนอนถือกินบนใดยบินไปบนหันไตไปบนหันจีบช่ององู้ที่ค้นค้นหนาวมาเที่กันฟ้องฟัวฟ้งเสียค้องแนวฟงเหม็นมันจำดีมันคิดไว้มันไปเงย เขาห n างเั eles, well, cards, ่นเขาเด็กเขาดันจะได้เงินกล้องฟัมันจะสีไปมันสอบนะนีเม็นดีอย่างโลกเราข้อนทุกันเก็เ่อนานประจูไปหรออาร์ตเเสียเงเงือนเสียงดล่ ว่ น, นี่ม น, นีประโยชน์อันใดมันจะไปใจมันชอบไปครับตาภาวนนะาไม่เสียขอคล้อ ง, งินท่องอันใดมันไ่อยากไปห่ดูก็สะดวกสบายนาาหนี่อันใดไมาลำค่าหงิดูแตสงบเงียบที่แค่น้าอัศอันได ก็พยายได้แต่วันนี้เพียงใดมัรบกวนแต่มันบําสอบได้หรอมันบําสอบเพ่มสบายมนูษยเท่ามันสอบเ่มสนุกมันจังทุกแต่โน้กก็สบายคนระยานอาชีพใครจะว่ายูเดียวเกี่ยวตายแ้นสบายใจบ๊บสนุกห้อง อยู่สองห้องถูกแสนสนุกจะว่าสบายทดสอบสนุกปะก็สบายเหมืนมุษย์ในโหลกวงน่าจะหลายในวัดในว่ังจะหน่อย ตัไปตวเลส ย, ยมงยม่หอดแล้ลวก็ไปแล้วะ่มีาตนะสไหนมันสแตกอเลอยู่สบายหนึ่งนนกตกก็ลงายุเศาแงแล้วงานคนวู่คนนีวันเทาวันเาไปหลายิหลายข้าง มันเพียงกูไม่ไ่วทั้งฝนตกทังนากรหน่างงานเ้าให้เศร้าหน้ากันท่านำงาน ฮึม